ตอนบทส่งท้ายท่านผู้ฟังที่เคารพผมได้นำท่านทั้งหลายบุกเบิกปัญหาชีวิตอันยุ่งยากสับสนหลายแง่หลายมุมเป็นเวลานานแล้วก่อนจบเรื่องผมใกล้จะเรียนว่ามาปีนี้ผมออกจะอาภัพในเรื่องเวลามีเวลาเตรียมตัวน้อยเกินไปกว่าที่ควรทั้งทั้งที่ตระหนักอยู่ว่าง จะต้องมาแสดงต่อหน้าท่านผู้มีเกียรติและล้วนแต่ทรงคุณวุฒิการมีเวลาเตรียมตัวน้อยทําให้ผมรู้สึกไม่สบายใจตลอดเวลาความจริงอันนี้ผมควรจะเรียนให้ท่านทราบตั้งแต่เริ่มอารัมพะกะถาตามธรรมเนียมของนักปาถกซึ่งนิยมออกตัวก่อนแสดงแต่ผมสู้เก็บไว้เป็นความลับไม่ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบเพราะถ้าทเช่นนั้น อาจทำให้ท่านผู้ฟังพลอยเป็นทุกข์ที่ต้องมานั่งสงสารผมครั้งแล้วครั้งเล่าแต่นำมาเรียนให้ทราบตอนจะลาโรงเสียอย่างนี้ก็เป็นอันหมดปัญหาผมไม่แน่ใจว่าความบกพร่องบางอย่างจะมีอยู่ในปาตกถาเรื่องนี้ไม่มากก็หน่อยซึ่งอาจเป็นการผิดพลาดในเชิงความรู้หรือเชิงความจําหรือเชิงสํานวนโ ว, วหารเป็นต้น จึงขอได้โปรดอภัยด้วยและโปรดรับทราบอีกครั้งว่าผมอยู่ในฐานะเพียงเป็นนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีทำความทุกข์ให้เบาบางจากหลักฐานทางพระพุทธศาสนาและทดลองปฏิบัติตามสติปัญญาซึ่งก็ได้ผลดีอยู่บ้างเท่าที่จะสามารถทำได้ท่านั้นโปรดอย่าได้เข้าใจเป็นอันขาดว่าผมเป็นผู้ชนะทุกข์แล้ว หรือพ้นทุกข์แล้วเพราะความจริงผมโดนทุกข์มาเล่นงานอาจมากกว่าทุกข์ของท่านผู้ฟังหลายๆคนรวมกันเสียด้วยซ้าแม้แต่จะหาเรื่องมาแสดงปาทกกลวิธีแก้ทุกข์นี้ก็ทุกข์แทบแย่ก่อนจบผมขอขอบคุณด้วยความจริงใจแก่ท่านคณะกรรมการยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยที่ได้ให้เกียรติแก่ผม และขอบคุณในานามของท่านผู้ฟังที่เจ้าหน้าที่ของสมาคมได้ให้ปฏิสันฐานเป็นอย่างดีตลอดมาสุดท้ายผู้ที่ผมจะลืมขอบคุณเสียไม่ได้คือท่านผู้ฟังที่ได้ให้ความอุ่นหนาฝาคั่งในการแสดงปาตกถาของผมทุกคราวจนทางสมาคมไม่อาจจัดหาที่นั่งให้เพียงพอต้องยืนฟังคราวละไม่น้อย ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้สนใจในธรรมะทั่วกันเสียงอ่านคนวิธีแก้ทุก